จบป .4 มาก็เข้ามาบวชอยู่กับหลวงปู่ล่าเป็นเนนอยู่กับหลวงปู่ล่า8ปดปีแล้วก็เป็นพระหนึ่งพันษาอยู่ที่ภูเจาก็รวมแล้วอยู่กับหลวงปู่ล่าเก้าปีเป็นสมัมมเณรแปดพระพันษาหนึ่งจากนั้นก็มาจําพรรษาที่ห้วยทรายพันษาหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปจําพรรษาที่วัดหลวงปู่แหวน อำเภอพลาวจังหวัดเชียงใหม่พรรษาหนึ่งแล้วก็กลับมาจาพรรษาที่บ้านห้วยทรายแห่งนี้อีกเป็นพรรษาที่สี่จากนั้นก็ได้ออกจากบ้านห้วยทรายลาหลวงอาพะหลวงปู่จามเป็นหลวงอาลาจากท่านไปเพราะว่าให้เหตุผลว่าหลวงอาครับเป็นพระน้อยพ้าหนุ่มอย่างที่หลวงอาเคยประสบพบเห็น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 บุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนกับ พ, พวกเราท่านทั้งหลายถ้าพวกพวกเราท่านทั้งหลายไปเยี่ยมพ่อกราพ่อแม่เห็นหน้าพ่อแม่ก็อบอุ่นในเมื่อพ่อแม่จากไปแล้วพวกเราไปใน่รุสึกลมไม่อยากจะไป <c oughs> บ้านที่พ่อแม่อยู่เลยเพราะอะไรเพราะมันไปแล้วมันว้าเหวในจิตในใจไปแล้วไม่อบอุ่นไปแล้วคล้ายๆก็มีแต่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 พูดได้กล่าวและก็ให้อยู่ในความสงบทุกๆ ท, ท่านนะโมตัตตสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุสลาธรมรมาอากุสลาธรรมาอัพยากตาธรรมาติติวันนี้เป็นวันที่สาม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 ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ได้สวดมาติกาอเิจา่าสองคืนแล้วอันนี้เป็นคืนที่สามแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายถ้าพอมีเวลาว่างพอมีเวลาอย่าก็ขอให้ลูกหลานมาบาเพ็ญที่ให้ติดต่อนอนเนื่องมาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็มาบาเพ็ญ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 ยาวหมอเยาวอาลง เ, อเลี้ยงผีกันแล้วก็อลองลำอะไรเลี้ยงผีผีเข้าไปสิงลักษณะอย่างนั้นแหละแต่หลวงพ่อก็ไปเห็นแต่เป็นเด็กๆหลวงพ่อก็กลัวอยู่แล้วกลัวผีใช่แต่เขาก็ทำพธิธีเลี้ยงผีผู้ไทยเนะี่ยเพราะนั้นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาท่านบอกเอ้ยสูเจ้าทางหลายอย่าไปนับถือถ้านับผีนะนะ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 ถ้ายึดพระไตสรสารณคมให้มั่นคงแล้วไม่ว่าผีสางนางไม้ไม่ว่าเออยู่ยงคงกระพันสายเวทมนตลคาถาอะไรเข้ามาไม่ถึงทางนั้นถ้าเรายึดพระไตสรสารณคมให้มั่นคงเว้นถ้าว่าเราไม่ยึดให้มั่นคงนะ่ะอสิ่งเหล่านั้นมันเข้ามาได้นะเพราะฉะนั้นเราให้ยึดพระไตสรสารณคมนะลูกหลานนะ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 จากนั้นหลวงตามหาบัวก็เคยมาจำพรรษาที่บ้านห้วยทรายเป็นเวลาถึงหกปีเออถึงหกปีหลวงปู่หลวงตามาจำพรรษาที่นี่จากนั้นมากับหลวงปู่จามตั้งแต่มาอยู่ตั้งแต่ 2510-511 นะจนถึงจนละสังขาร2 5ง5ันท่านก็แนะนำสั่งสอนลูกหลานพี่น้องประชาชนให้รู้จักคุณงามความดีเท่จาจักบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์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 ให้สั่งสมบูรณ์กุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจถ้าว่าพวกเราตั้งอยู่ในความประมาทมาพบภพุทธศาสนาแล้วมาเกิดอยู่ในปฏิรูประเทสวะโซจะอย่างนี้แล้วพวกเรามีแต่กินเหล่าเมายาสัมมาเลเทเมาเทําความชั่วเสียหายอย่างนี้แปลว่าตั้งอยู่ในความประมาทออกจากภพกนี้ชาตินี้ไปแล้วพวกเราอาจจะถลํา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 ที่แรกรพระองค์ทรมานพระองค์อดภักยาหารถึง49้วันผอมโกกอย่างที่พวกเราเห็นใ น, ในพุทธประวัติที่พระองค์ทรมานพระสลีละของพระองค์แต่พระองค์กลับมาฉันพัฒหานพอฉันเสร็จแล้วท่านทรมานทางใจท่านพิจารณาทางใจท่านพิจารณาอย่างไรกาหนดทางใจการทรมานกายนี่ยมันเหมือนกับทรมานรถ ถ้าจะเปรียบเทียบนะลถกับคนเนี่ยลถกับคนเนี่ยท่านทรมานลถ ใ, ให้ลถกระโดด เ, เหวี่ยงกระโดดบอกระโดอไม่ให้น้ำมันมันกินบ้างทรมานลอลถมันก็เป็นไปตามนั้นมันก็ตามสภาพของมันให้กินมากมันก็ยเป็นอย่างนั้นให้กินน้อยเอาจะมันล้นอหรือว่ า, าทำให้เบรกมันเป็นยังไงทรมาน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 การจุดติและการเกิดการตายของสัพพสัตว์ทางหลายพระ อ, องค์มองออกไปข้างนอกมองดูสัพพสัตว์พระ อ, องค์ก็ย้อนดูคนที่ตาบอดเพราะอะไรเพราะกรรมกรรมในอดีตเอคนที่ถูกฆ่าตายอย่างพระโมกขาลาคนทั้งหลายจะโจด์ขานกันว่าพระโมกขาลาเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกเบื้องซ้ายเหาะเหินเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้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 ที่ท่านได้ทำไว้ในอดีตเนะพราะไั้นเกิดมาพบนี้ชาตินี้ท่านโมกคลาก็เลยถูกฆ่าตายตายเพราะกรรมของตนได้กระทำไว้ในอดีตสมควรแก่ความตายเพราะว่าตัวเองได้ทำกรรมไว้ในอดีตคือได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่แต่บัดนี้โมกคลาได้เป็นพระอรหันต์แล้วแปลว่าอาโหสิกรรมกรรมให้ผลสำเร็จแล้วออกจากพบนี้ชาตินี้โมกคลาเข้าสู่นิพพาน กรรมทั้งหลายเหมือนกับพระโมคาลากข้ามฝากไปอยู่อีกฝากทะเลหนึ่งแต่หมาทั้งหลายกรรมเนี่ยเหมือนกับคือการกระทาวิ่งไปถึงแม่น้ำแล้วมันหาทางไปไม่ได้พระโมคขาลาข้ามฝั่งไปแล้วถึงเป็นแดนอวากาศของจิตของธรรมไปแล้วเป็นแดนอมะตะแดนที่ไม่เกิดไม่ตายแล้วกรรมตัวนี้ไปไม่ถึงแปลว่าก็เลยหมดเรียว่าอาโหสี่กรรมกรรมตัวนี้ตามไม่ถึง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 เป็นอ克拉สาวกข้างขวาประโมกขลาที่ได้หลวงพ่อได้ยกขึ้นมาว่าที่ถูกที่ถูกโจนฆ่าเนี่ยคืออั克拉สาวกด้านซ้ายจากนั้นภาษาเิบุตรท่านเป็นปริภาชกอยู่ที่กรุงราชคกุลท่านเป็นลูกเศรษฐีเป็นเพื่อนกับโมคกคลาจากนั้นท่านก็เห็นเกิดความเบื่อหน่ายในคารวาสนะท่านไปเที่ยวไปชมมรรหบมหโหสพที่ไหน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 นั่งที่เก้าอี้สูงๆนั่งเกียงคู่กันเพราะเป็นเศรษฐีในกรุงราชคักนะึน่ะต่ต่อมาวันนั้นบวรมีของท่านแก่กล้าทั้งคู่ท่านเห็นมโหฬรสพกระโดดโลดเต้นคนทั้งหลายก็เฮ้โหดตามที่จังหวะของคนที่กระโดดโลดเต้นนั้นที่ผ่านผนแต่โมกคารากสาเริบุตรนั่งก้มหน้าดูเงียบไม่โพดอะไร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 เออผมก็อยากจะถามในใจของท่านเหมือนกันนะโมกขลาครับใช่ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะท่านสารยบุตรมองเห็นคนทั้งหลายมันจะต้องตายด้วยกันทุกคนที่มานั่งอยู่ด้วยกันเราจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินเฮ ห, หาอะไรมากมายนักหนาเ อ, อทำไมโอ้ท่าอย่างนั้นเราส ะ, สะแหวงหาธรรมดีกว่ามะโมกขลาเราจะไปหาครองเรือน อ, ออกไปสแสวงหา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 เ, เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ไปปนนิบัติพระพุทธเจ้าปัญจวคีรีทั้งห้าเนี่ยโกณทัญยะวัปปะพัทธิยะมหานามอัจฉ ช, ช, ชิองัจฉชิองค์ที่เล็กกว่าเพื่อ น, น่นเข้าไปบิณทบาทในกรุงราชจะคือไปตามลําพังพอไปเดินบิณทบาตทภาษาลิบุตรเห็นเอ๊ะเห็นสมณะองค์นี้นเนี่อครองผ้าอย่างนี้นะท่านก็เดินดูประทับใจ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 หนุ่มเดินตามหลังท่านพออาหารท่านมองดูอาหารพอในบาทท่านเพียงพอแล้ว เ, เพียงพอพอจะพอจะอิ่มได้แล้วท่านไปบินทบาทคนใส่บารให้ท่านเลยก่อนอาหารเพียงพอที่จะพออิ่มท่านก่อนเดินออกมาออกนอกเมืองพระสาราีบุตรก็เดินตามหลังใกล้เข้าไปพรพ้นจากนอกเมืองมาพอสมควรท่านอาจจะชีก็เดินมองหาที่นั่งฮะ มองหาที่นั่งที่ไหนที่มันจะเรียบราบที่จะนั่งฉันอาหารฮงภาษลีบูดเนี่ก็เห็นท่านกําลังหาที่นั่งภาษาลีบูรกเ็เข้าไปใกล้กันเลยหากิ่งไม้ใบไม้มาลองฮหมาลองเสร็จแล้วก็ให้ท่านนั่งไหก็ไม่ได้ถามอะไรนะท่านอาจจะชี้ก็ขึ้นไปนั่งบนใบไม้ภาษาลิบูตรนี่ก็ท่านมีน้ำํำคือปริพายชกเขาต้องมีน้ําไปด้วยท่านก็เลยเทน้ํา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 บรรดิตนักปราดทั้งหลายในครั้งพุทธกาลภาษาริบุตรท่านได้ทำจากท่านอัจฉิย์ท่านไม่เคยลืมอัจฉิชินี้ก็เหมือนกันหลวงตามหาปูวที่ท่านได้ธรรมธรรมคําสอนจากองค์หลวงปู่มั่นที่หลวงปูมงป่มั่นแนะนําสั่งสอนเวลาท่านไปกราบเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นท่านกราบด้วยความซึ่งใจอย่างมากที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น นี่หละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ให้ก้าวไกลให้เคารพผู้มีคุณูปการต่อพวกเราวยยวุฒิคุณวุฒิเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคน เ, นเราเกิดมาจากพ่อจากแม่ก็ให้เคารพพระคุณของบิดามารดาเพราะท่านเลี้ยงดูลงมาแล้วเราไม่ควรปลามาท่านถึงจะโง่เง่ายังไงก็คือพ่อแม่ของเรา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 หลายๆายแนวทางหลายหลายอย่าง <_ d ata> บางทีหลวงอาหลวงอาท่านบอกว่าโตรู้ไหมเราเกิดมาพบนี้เป็นลูกชาวนาเนีหลวงตา ม, มให้หลวงปู่จามนะท่านสอนหลวงพ่อนะท่านไม่ให้ลืมตัว <_ d ata> เกิดมาพบนี้ชาตินี้เป็นลูกชาวนารู้ไหมอย่าลืมตัวเอง <_ d ata> เ อ, อย่าไปเสาะสแสวงหา <_ d ata> เอาอย่าไปออกนอกลู่นอกทาง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 แล้วก็สมาธิให้ปัญญาให้ใช้ปัญญาแต่เรื่องทานอย่าอย่าไปคล้นขวายถ้าเราเกิดมาเป็นเศรษฐีก่อนเกิดพบนั้นชาตินั้นแหลนะเรื่องทำทานให้ทำอย่างเต็มที่เพราะเรามีเพราะมีเราเกิดมารวยเราก็ต้องทำแล้วก็เมื่อเราเป็นกษัตริย์เราจะสร้างอะไรเราก็สร้างเพราะเหตุใดเพราะเรามีอำนาจวาสนาที่จะทำทำได้แต่ชาตินีเ้เราเป็นอย่างนี้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 ให้หลวงพ่อค่อยๆว่าอย่าลืมตัวพูดง่ายๆให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกิดมาทั้งทีแล้วก็ให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาอย่าไปรุ่มหลงมัวเมานี่แหละอันนี้ก็คือหลงอาที่ท่านสอนหลวงพ่อนะและก็พร้อมกันนี่ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลาย ย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่หลวงปู่ที่ท่านแนะนําสั่งสอนเบื้องต้นอาตมาได้ยกเป็นพุทธภาษีว่ากุสลาธรรมาอกุสลาธรรมาอัพยากตาธรรมากุสลาธรร ม, มาอา ก, รรมมากุสลาธรร ม, ม, า, า, า, รร ม, มาคํานี้พระพุทธเจ้าได้เจริญขึ้นไปโปรดพรมาลดาบนดาวดึงสวรรค์ท่านสอนนิธรรมให้แก่เทวดา ที่ว่าอภิธรรมกุสลาธรรมาจิตที่เป็นกุศลอากุสลาธรรมาจิตใจที่เป็นอากุศลอัพยากตาธรรมาจิตที่เป็นกลางๆงจิตที่ไม่ทำดีไม่ทำชั่วแล้วว่าจิตเป็นเป็นกลางๆอาพยากตาธรรมะเนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือจิตใจของเราเท่านั้นแหละจะเป็นบาปหรือเป็นบุญ ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้มองดูใจของตนเองให้คิดดีทดําดีพูดดีคิดดีก็คือคิดไปในบุญกุศลน้อมจิตไปในทางทานรักษาศีลและกัภาวนาอันนี้ว่ากุศลาธรรมมาอากุศลาธรรมานคิดไปในทางชั่วคิดว่าบาปบุญกุลโทษไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนย์ทำดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่ว